เรื่องลูกปูกับแม่ปูชเช้ามืดของวันที่อากาศเย็นสบายสายลมพัดประลอกคลื่นน้ำเป็นประกายระยิบระยับดุจเงินยวง เมื่อต้องแสงจันที่กำลังจะรับลาขอบฟ้าและดวงตะวันประหนึ่งไข่แดงก้อนโตกำลังจะโผลผ่พ้นผืนทะเลทางชายฝั่งตะวันออกตรงบริเวณชายหาดแสนสวยแห่งนั้นเป็นเวลาที่น้ำทะเลกำลังลดปูสองตัวแม่ลูกกำลังพากันไต่ลงไปหากินตามชายเลน ะะเราแอบได้ยินลูกปูกับแม่ปูกําลังคุยกันด้วยละ่ะแม่จา๋าแม่จา๋าเลนที่แม่บอกว่าเรากําลังจะไปหม่ำหนนะ้าอะไรมิจ๊ะใครบอกจา๋าว่าเราจะไปกินเลนเราจะไปหา ก, กินตามชายเลนต่างหากชอบสรุปเอาผิดผิดอย่างเนี้ยรู้ไหม อยากว่าฟังไม่เดีสับจะไปกระเดียดน่ะสิแม่นี่ชอบใช้ราชาสับฟังต้องใจยากจ้ะไปฟังหน่อยสิจ๊ะที่แม่พูดน่ะไม่ใช่คำราชาสับนะเขาเรียกสุภาษิตทำพัาางเบยต่างหากแล่าคืออะไรจ้ะสุภาษิตทำพังเพยอ่ะแม่ใช้บ่อยบ่อยคือพวกคำเท่ๆใช่มหม สุพาสิคคำพังเพยหรือสำนวนไทยก็คือคำพร้อมจองเอาไว้พูดเปรียบเทียบเปรียบเกยเวลาสอนจะได้จดจำ ง, ง่ายงีจ๊ะแม่พูดบ่อยๆนะเจ้าจะได้จำไว้พูดต่อเป็นการสืบพอดภาษาไทยของเราต่อไปไงี้ละแม่จ๋าฟังแล้วไม่เด้สับจับไปกระเดียนดนี่ยมันแปลว่าอะไรจ๊ะก็แปลว่าฟังยังไม่ทันได้ความแจ่นชัด แล้วก็เอาไปพูดต่อหรือว่าทำผิดๆิดพลาดๆา ด, ดเหมือนที่เจ้ากำลังทำไงเอา้าเดินเร็วหน่อยซีเดี๋ยวน้านจะขึ้นซัก่อนลูกปู่จึงเร่งฝีเท้าเดินฉับฉับแสงขึ้นหน้าแม่ไปพร้อมกับร้องทำเพลง ร้องเพลงของลูกปูดังไปถึงหูของเจ้านกกินปลาผู้หลงตนละแวกนั้นมันรีบบินพลาลงมาด้วยความรำคาญใจวัดดีเจ้าพวกปูทะเลนี่แต่ตะกี้เนี่ยฉันฟังไม่ผิด น, นะแน่ใจว่ากำลังร้องเพลงอยู่ฉันนึก ว, ว่าพวกแกกำลังสวดนมนตะอีก ทำนองนะ่ะรลองไงจ๊ะอ๋อไม่ยากหรอกเดี๋ยวฟังเสียงกันไพเรอะของฉันให้ดีนะอันนี้จะสอนว่าเป็นเบสิกขั้นพื้นฐานของเด็กๆอะ่ะเดี๋ยวฉันจะร้องให้พวกแกฟังสักรอบหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวพวกแกค่อยร้องตามฉันละกัน ร้องตามโดเมาซาีโดฉันบอกแกร้องตามฉันไงไม่เข้าใจหรอไจะพวกบ้าเดี๋ยวฟังใหม่ทีนะโดเลม้เสียแม่ลูกผัว้อ ขณะนั้นเจ้าแมวน้ำนักดนตรีซึ่งกำลังนอนอาบแดดอยู่ตรงนั้นพอดีรู้สึกกำคาญเสียงโบกเบกวยวายจนทนไม่ไหวมันคว้าตรำเป็ดคู่ใจขึ้นมาเป่าสเกลให้ทั้งสามฟัง เสียงที่ดูเป็นอย่างนี้โูเอ้ยแต่สังเกสีแบบเนี้ฉันก็เป่าได้เอามาดิดอฉันจะเป่าให้ดูไหนแกบอกว่าแกเป่าได้ไงเสียงกับเียไปเลยะนกเสียูแกกับเียเยระหูไปหัดไล่สเกลใหม่สปอย โอ้ไปก็ได้วันนี้ฉันไม่สบายเสียงเลยเป็นแบบนี้ เดินต่อไปยัชยงชชยจังหวะที่ลูกปูเดินจ้ำรวดรวดอยู่ตรงหน้าแม่ทันใดแม่ปูก็สังเกตอาการผิดปกติบางอย่างตายตายตายตายตายปูปปปบเบ๊ดูเจ้าเดินสีทำไมถึงเดินใส่ไปใส่มาอย่างนั้นเล่าเป็นลูกปูสาวซะด้วยเดินไม่สวยอย่างเนี้ยอายเขาแย่ yeah. นี่เดินนี่มันตรงตรงทางไม่ได้หรือ เดนอย่างเนี้ไม่มีทางถึงที่หากินก่อนน้ําขึ้นแน่ๆลูกปูหันกลับพร้อมวิ่งกลับมาถามแม่ว่าแม่จ๋าแม่จ๋าไหนที่แม่จะให้เดินตรงทางอ่ะเดินไงนะ้าฉันไม่อยากรูแม่ลองเดินให้ฉันดูหน่อยสิฮ่เดินอย่างนี้นะดูให้ แม่ปูก็พยายามประคองกล้ามอันเก็บกับสาวขาอันรกรุงรังไปข้างหน้าแต่มันก็สายไปมาอยู่ดีเสียงหัวเราะเยาะจากปูดังขึ้นจนแม่ปูหันมักน้อนหลายตลกเลยค่ะก็แม่ปูเดินตรงไม่ได้นะสิคะเราด้วยวิสัยของปูหย่อมเดินคดไปคดมาเป็นธรรมดาแต่หากแม่ปูไม่รู้ตัวเองไง นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าธรรมชาติของคนโดยส่วนใหญ่นั้นมักชอบจ้องจับผิดแต่คนอื่นลืมหันกลับมามองตัวเองและการที่จะสั่งสอนผู้อื่นให้ทำอย่างใดนั้นเราต้องทำอย่างนั้นให้ได้เสียก่อนจึงค่อยสอนผู้อื่นมิเช่นนั้นก็จะตกอยู่ในสภาพเช่นเดียวกับแม่ปูและเจ้านกกินปลาในเรื่องนั่นล่ะค่ะ Where beyond the sea, somewhere waiting for me, my lover stands on golden sands.